เรื่องให้เก็บอาหารภายในและหุงต้มเองเมื่อคราวจำเป็นสมัยนั้นกรุงราชครืเกิดข้าวยากหมากแพงคนทั้งหลายนำเกลือบ้างน้ํามันบ้างข้าวสารบ้างของฉันบ้างมาที่อารามภิกษุทั้งหลายให้เก็บของเหล่านั้นไว้ภายนอกสัตว์ต่างๆฆ่าไปกินเสียบ้าง